เจ้าชายผู้ไร้ตําหนิง ก, กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงผู้เลอโฉมอาศัยอยู่ในปราสาทใหญ่ในดินแดนอันไกลโพ้นมีค่ารับใช้มากมายแต่เจ้าหญิงไม่มีความสุขเลยเนื่องจากมีพ่อมดตกหลุมรักน้ำพ่อมดชั่วร้ายต้องการครอบครองเจ้าหญิงจึงแปลงร่างเป็นแมวยักษ์และตามเจ้าหญิงไปทุกหนแห่ง มีเพียงเจ้าชายเท่านั้นที่จะถอนคำสาปได้เจ้าชายจะต้องเหยียบหางเจ้าแมวยักษ์เจ้าหญิงจึงจะเป็นอิสระได้ไม่ไกลนักที่ที่เจ้าชายอาศัยอยู่เขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับเจ้าหญิงแสนสวยน่าสงสารยิ่งนักเจ้าหญิง่นคณได้รับอิสระถ้าเซนาบดีอย่าบอกใครว่าข้าจะเดินทางไปไม่เช่นนั้นเจ้าแมวมันจะรู้ตัว ข้าจะไปเหยียบหางมันในตอนที่มันหลับอยู่และคืนนั้นขณะที่เจ้าแมวยักษ์กำลังหลับอยู่เจ้าชายก็เหยียบหางมันทันใดนั้นเองเจ้ากล้าดียังไงข้าขอสั่งให้เจ้าประจักเจ้าหญิงนะับบัตรนี้เลย <c oughs> ข้าจะปล่อยนางไปแต่ใครจะมาช่วยเจ้า ขาอสาบแช่งให้ลูกชายเขแรกของเจ้ามีจมูกที่ใหญ่โตมโหฬารเขาจะได้เป็นพระราชาก็ต่อเมือเขายอมรับคำบอกพรองของตัวเองเมื่อ น, นั้นอนาณาจักรของเจ้าถึงจะมีพระราชาที่สมบูรณ์แบบเจ้าชายคิดว่าคำสาบนั่นมันฟังดูแปลกพิกลลูกชายข้าจะรู้ว่าเขามีจมูกใหญ่โตมโหฬาร แต่จมูกใหญ่ก็ไม่ใช่ข้เสียอะไรนี่แค่คงไม่ต้องกังวลอะไรละมัง้งเช้านั้นเจ้าหญิงกลายเป็นผู้หญิงที่มีความสุขมากที่สุดบนโลกผู้คนในเมืองต่างพากันดีใจที่เจ้าพ่อมดชั่วจากไปเจ้าหญิงยินยอมแต่งงานกันกับเจ้าชายโดยไม่หลังเลเจ้าชายมีความสุขที่ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงที่งดงามที่สุดจนลืมเรื่องคำสาปและเขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลย หลายปีผ่านไปปัจจุบันเจ้าหญิงได้กลายเป็นราชนินีผู้ให้กำเนิดบุตรชายองค์แรก <c oughs> เจ้าชายไฮยาสิน์กำเนิดในวันที่ราชาออกไปทำภารกิจแต่บ้านเมืองก็สุขได้ไม่นานเมื่อราชินีเสียชีวิตประชาชนยังเสียใจกับการตายของราชนินีต่อมาก็มีข่าวว่าเรือของพระราชาจมหายไปกลางทะเลเจ้าชายฮยาสินเป็นทายาทองค์เดียว แต่มีบางอย่างผิดปกติโ อ, โอ้ตายจริงนั่นจมูกหรือนั่นนะแต่ว่ามันใหญ่จนจะบังหน้าเจ้าชายมิดแล้วโอนี่อย่าพูดกับอนาคตของราชาของเราอย่างนั้นสิเราทุกคนต้องไม่พูดถึงจมูกอันใหญ่โตของพระองค์นะจะไม่มีอะไรทำให้พระองค์นะ่ะต้องรู้สึกอับอายหน้าที่ของเราคือต้องช่วยกันปกปิดอย่าให้พระองค์รู้สึก ตั้งแต่นั้นมาเสนาบดีและข้าหลวงตัดสินใจช่วยการปกปิดจมูกอันใหญ่โตของเจ้าชายรูปทุกคนที่มีจมูกปกติถูกถอดลงจากฝาผนังวังคนรับใช้พ่อบ้านพานโรงทุกคนได้ถูกตักเตือนว่าไม่ให้พูดถึงจมูกอันใหญ่โตของเจ้าชายทุกคนต้องชื่นชมจมูกอันใหญ่โตของเจ้าชายแม้แต่ครูในโรงเรียน ยังต้องสอนเรื่องนักรบที่มีจมูกขนาดใหญ่โตเท่านั้นทุกคนต่างพากันหัวเราะคนที่มีจมูกขนาดปกติเสนาบดีต่างทาหน้าที่อย่างเต็มที่พวกเขายังขอให้เจ้าชายรูปงามใส่จมูกโตปลอมทุกครั้งที่เข้าวังเจ้าชายโตมาด้วยความภูมิใจในจมูกอันใหญ่โตของเขาข้อบกพร่อง ถูกกลบเกลือนโอโหเจ้าชายเขาหม่มฉันได้เวลาราชาพิเศษแล้วเจ้าชายคงรู้เรื่องกฎระเบียบดีท่านต้องสมรส ถ, ถึงจะได้สืบทอดบัลลังก์นะพะยะค่ะข้าเข้าใจดีท่านเสนบนดีข้าตั้งใจสู่ขอเจ้าหญิงแห่งเมืองเบสฟอร์ดนางเป็นเจ้าหญิงที่ ง, งดงามที่สุดเลยละจมูกนางเล็ก แต่ว่าข้าใจกว้างพอที่จะรับข้อบกพร่องของนางได้ดีพระยาคะาจาช้ายรูปงามมอมฉันจะรีไปเตรียมการข้าหลวงและเสนาบดีเคยชินกับการโกหกเรื่องจมูกอันใหญ่โตของเจ้าชายจนลืมบอกราชาแห่งเมืองเบรดฟอร์ดราชาตกลงเรื่องแต่งงานแต่แล้ว เจ้จจาชายพยาคาา่าเจ้าชายเจ้าหญิงเองมึงเบสฟอร์ดถูกจับตัวไปมีเขาหรือว่านางต้องคำสาปนางถูกขังอยู่ในวังคริตสตลัลเมืองเบสฟอร์ดกำลังส่งคนไปตามนางอะไรกันเนี่ใครกันกล้าทำแบบนี้ตเตรียมทหารให้พร้อมเลยข้าจะออกตามหาเจ้าหญิงด้วยตัวเองเจ้า และทหารออกเดินทางขณะที่เดินทางผ่านทะเลสาบก็เกิดพายุทรายทำให้เจ้าชายพลัดหลงเมื่อเจ้าชายตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เจ้าชายออกเดินทางต่อแต่กลับไม่พบใครอ๋อข้าหิวน้ำทั้งกระหายน้ำมากด้วยข้าจะทายังไงดีเนี่ยโอเดี๋ยวก่อนนั่นบ้านนี่นะ ท่านข้าหลงทางมาน่ะข้าขอแบ่งน้ําและอาหารได้ไหมได้โปรดเถอะโอ้แน่นอนสิเจ้าน่ะดูเหนื่อยนะเข้ามาก่อนสิเออนี่เดี๋ยวก่อนนะนั่นจมูกเจ้าเหรอทําไมมันดูแปลกจังเลยล่ะจมูกเจ้าเนี่ยใหญ่จังเลยในชีวิตข้านะไม่เคยเห็นจมูกใครใหญ่เท่านี้มาก่อนอะไรกันทําไมถึงว่ากันแบบนี้ล่ะนี่มากไปแล้ว จมูกข้าไม่ไใหญ่สักหน่อยจมูก<อ>นางนั่นแหละเล็กไป<อ>แต่ว่าข้าหิวข้าไม่ควรจะไปเถียงกับนางเออคือข้าหิวเหลือเกินท่านขออะไรให้ข้ากินสักหน่อยได้ไหมอดได้สิเจ้าคงกระหายน้ําด้วยบอกว่าหิวน้ําไม่ใช่เหรอข้าน่ะจะบอกให้คนของข้าน่ะเอาน้ํามาให้เจ้านะ น้ำนะ่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย อ, อ๊ขอโทษนะแต่ว่าจมูกเจ้านี่มันช่างกวนใจข้าซะจริงมันใหญ่แบบนี้มา น, นานแล้วเหรอจะยืนอยู่ทำไมล่ะเจ้าดูเหนื่อยล้าไม่เข้าไปข้างในก่อนเหรอเออก็อยากจะเข้าไปอยู่แต่ท่านชวนข้าคุยเรื่องจมูกข้ามากกว่าที่จะชวนคนหิวข้าวหิวน้าเข้าบ้านอีกโอ้เจ้าก็พูดเกินไปเข้ามาเถอะฮะข้าพูดเกินไปเหรอขอพระเจ้าช่วย ก็คงจะเพราะว่าข้าหิวหรอกนะเจ้าชายตกตะลึงเมื่อเดินเข้าไปในกระท่อมน้อยที่ตกแต่งไปด้วยศิลปะสมัยโบราณที่ดูราคาแพงเจ้าชายถึงกับงงงวยออนี่บ้านของท่านเหรอดูเหมือนวังเลยท่านเป็นเป็นใครกันแน่เนี่ย โอ้ข้าน่ะคิดถึงบ้านก็เลยตกแต่งให้มันเหมือนบ้านน่ะคือว่าข้าเป็นราชินีจากดินแดนไกลโพลหลายปีก่อนข้าหลงทางตอนออกล่าสัตว์น่ะโชคดีนะที่ข้าเอาเครื่องเพชรพลอยแล้วก็คนรับใช้มาด้วยจริงๆแล้วมันก็ตลกดีจริงๆแล้วน่ะข้าเลี้ยวมาผิดทางหลงทางเข้ามาในป่าลึกพอเข้ามาก็มาเจอกับที่นี่เขาตอนนั้นข้าก็เลยเล่าเรื่องพระราชากับแมวยักษ์ ให้กับคนรับใช้ฟังนะสิแต่ว่าโทษทีนะเจ้าแมวยักษ์นะ่ะยังไม่น่าสนใจเท่าจมูกของเจ้าเลยโอ้ยเมื่อไหร่นางจะเลิกพูดเรื่องจมูกข้าสักทีเนี่ยนางหลงทางเพราะมัวแต่คุยกับคนรับใช้นางไม่รู้หรื อ, อยังไงว่าข้อเสียงของนางคือพูดมากไปถึงได้ติดอยู่ที่นี่เจ้านะ่ะอยากฟังเรื่องพระราชากับแมวยักษ์หรือเปล่าล่ะเออคือคือว่าข้าโอ้ด้ ข้าน่ะจะเล่าให้เจ้าฟังนะแมวนั่นน่ะแท้จริงแล้วเป็นพ่อมดเขานะ่ะสาปแช่งเจ้าชายตอนที่เจ้าชายนะ่ะเยียบหางของเขาน่ะสิอ๋อข้าเข้าใจแล้วคนรับใช้ถูกสอนให้มองข้ามข้อเสียของราชินีนางพูดมากไปแต่ว่าเขาก็ไม่เคยทักท้วงเลยทำไมนะคนเราถึงมองไม่เห็นข้อเสียของตัวเองอ๋นี่เจ้าฟังข้าอยู่หรือเปล่าเจ้านะ่ะไม่เคยสงสัยเรื่องจมูกของเจ้าบ้างเลยเหรอ ตอนนี้เจ้าชายไม่หิวอีกต่อไปแล้วเขาเริ่มผลไม่ไหวนี่ข้าขอท่านเลิกพูดถึงจมูกข้าได้ไหมมันไม่สุภาพเลยข้ายังไม่เคยพูดเรื่องที่ท่านพูดมากเหมือนกับนกแก้วเลยนะหรือว่าเรื่องที่จมูกท่านเล็กไปข้าภูมิใจในจมูกของข้ามาทําให้ข้าดูหลอขอบคุณสําหรับอาหารข้าจะออกตามหาเจ้าหญิงอเดาว่าที่วังเจ้าน่ะ คงจะไม่มีกระจกให้เจ้าดูแม้ว่าเจ้าน่ะจะหาเจ้าหญิงเจอที่วังคริสตันแต่เจ้าน่ะจะถอนคำสาบได้ยังไงกันน่ะจูบมือเจ้าหญิงเหรอแล้วจมูกเจ้าจะไม่เป็นอุปสรรคหรือยังไงข้าว่าจมูกโตๆของเจ้าน่ะทําให้เจ้ามองไม่เห็นเท้าของตัวเองด้วยซ้ําข้าเน่ยเป็นเจ้าชายข้าจะไม่ขอมานั่งเถียงกับท่านอีกแล้วขอตัวก่อนนะแปลกจัง อย่งที่นางพูดข้ามองไม่เห็นเท้าตัวเองแต่คงเป็นเรื่องปกติสําหรับดาชาและราชินีทั่วไปนางจะไปดูอะไรเล่านางยังหลุดปากบอกวิธีถอนคํำสาบกับข้าระหว่างทางเจ้าชายเดินผ่านตลาดผู้คนต่างพากันชี้จมูกของเจ้าชายและหัวรเราะเะแปลกจังทำไมคนที่นี่จมูกเล็กอะแถมยังว่าข้าจมูกแปลกประหลาด เมืองนี้นี่แปลกพิกลจังเลยอ่ะแต่เจ้าชายเริ่มสงสัยทุกคนต่างมีจมูกเล็กแต่ไม่มีใครดูหน้าเกลียดเลยเมื่อเจ้าชายถึงวังคริสตัลเขาตะโกนเรียกเจ้าหญิงเจ้าหญิงข้าเองนข้าเจ้าชายไฮยาสินข้ามาช่วยเจ้าแล้วอ๊เจ้าจริงๆด้วยนั่นมันอะไรอยู่บนหน้าท่านน่ะ จมูกของท่านเหรอเราค่อยพูดเรื่องจมูกเล็กๆของเจ้าที่หลังหน้าให้ข้าช่วยถอนคำสาบเจ้าก่อนเจ้าชายปีนเข้าไปในปราสาทกุมมือเจ้าหญิงเอาไว้ขณะที่กำลังก้มลงจูบแต่เขากลับจูบไม่ได้เฮ้เจ้าหญิงข้าต้องขอโทษ ด, ด้วยข้าช่วยถอนคำสาบไม่ได้ข้าไม่รู้มาก่อนเลยว่าจมูกข้ า, าใหญ่ขนาด น, นี้ คนทั้งเมืองทำให้ข้าคิดว่าจมูกข้าสมบูรณ์แบบแต่มันเป็นข้อบกพร่องที่ข้าจะต้องยอมรับมันเ อ, อ๋อเดี๋ยวก่อนท่านท่านคือหญิงคนนั้นที่เอาแต่ตำหนิจมูกข้านี่นาท่านมาที่นี่ได้ยังไงขอรับใช้ของท่านลหรอเจ้าชายข้าน่ะไม่ใช่ราชิ น, นีข้าปลอมตัวเพื่อทำให้ท่านเห็นข้อบกพร่องของตัวเอง พ่อมดได้สาบเมืองของท่านท่านต้องยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองถึงจะเป็นพระราชาที่ดีได้ตอนนี้ท่านเด้ล้างคำสาบนั่นแล้วท่านนะได้เห็นจมูกของตัวเองแล้วหรือยังจมูกจมูกข้าโอ้มันเป็นปกติแล้วอ่ะข้าไร้ข้อบกพร่องแล้วไม่เป็นเช่นนั้นเราทุกคนต่างมีข้อบกพร่องคำสาบไม่ได้หายไปพระจมูกเล็กลง แต่การรักตัวเองต่างหากที่สำคัญแต่มากไปจนมองไม่เห็นข้อผิดพลาดก็ไม่ดีนะเราจะได้เห็นสิ่งที่ต้องการก็ต่อเมื่อเรามองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองเช่นเดียวกับที่ท่านได้พบเจอเจ้าหญิงและถอนคำสาบโดยการยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองไร้ข้อบกพร่องคือการที่เรามองเห็นข้อด้อยของตัวเองเจ้าชายและเจ้าหญิง เดินทางกลับไปยังปร า, าสาทและแต่งงานกันในที่สุดบ้านเมืองก็มีพระราชาที่ไร้ตำหนิ